อฟังรามกันนะพอที่จะหวีหวังได้เห็นกันได้บอกความเท็จความจริงต่อกันหนึ่งคนสองคนเก้าคนสิบคนจะได้มีที่พึ่งพาอาศัยได้ยินด้วยกันได้ทำด้วยกันได้เห็นด้วยกันได้สัมผัส ด, ด้วยกัน บางคนก็ไปจากเราก็มีไปเหยดหน้ากันก็ไปกันแล้วบางรูปก็สิขาหลิเศไปบางรูปก็ไปที่อื่นชีว <c oughs> ิต เ, เราถ้าโอกาสที่อยู่ร่วมกันก็ทำความดีต่อกันก็หนีากกันแล้วก็ ไม่มีประโยชน์ต่อกันแล้วบางทีคนที่ไปยทำดีอาจจะหลุดประทาชั่วน่าเสียดายผิดพลาดเดือดร้อนเราจึงเป็นสังคมเป็นวัดวาลางเป็นนักปวดในธรรมวินยัยในวัด ในศาสนามีคำสอนพ่าไ <c oughs> ม่น่าจะจนเรื่องนี้ให้เป็นนักศึกษาเป็นนักปฏิบัติเป็นนักปริยัติชีวิตเรามันมีสองส่วนส่วนกายส่วนใจที่เป็นรูปเป็นนามส่วนกายก็มีบ้านเรือนวี ที่ว่าใช้เครื่องนุ่งหม่มอย่ารักษาโลกอาหารการกินสิ่งที่จะมีได้ต้องขยันหมั่นเพียรหาประกอบความเพียรุษฐานสัมปทาถึงความเหลือความหมั่นขยนันอาลลักษ า, าสัมปทารู้จักรักษาอย่าสุริชุลัย การละยานมิตามีเพื่อนที่ดีมีฉินเสมอกัอนอยบาเป็นแลงาข้ามหมากาข้าบนี้อันนี้ก็หาทราพได้แหลังหาพัจจุที่ยังไม่มีให้มีแหวังพัตจุที่หายไปแล้วเคืนมา ร่อมสามพัจนจุที่ข้ามคราไอ้ใช่ได้หรือผู้มีศีลมีปัญญาร่วมกันพวกเราก็อยู่ได้ดังไม่อาภัพอับจนตองลูกทมทานนมัตธรรม เกิดทางนามวาถามจิตใจนี่ก็จําเป็นแสวงหามักหาผลเอาไว้เวลาหลงจรได้ใชเวลาทุกข์จรได้ใชเวลาโกรธจรไดใช้เวลาเจ็บจะไดใช้เวลาตายจรไดใช้ อันส่วนราบว่านอกมันก็ใช่มาได้ยึดเรามีสองส่วนส่วนรูปบทความส่วนนา ม, มาทำรูปบทครามนั้นบางทีก็ธรมชาติกฎรรมชาติมันบอก <c oughs> พอที่จะช่วยตัเองได้ มีสัญญามีธรรมชาติอาการจะหิวก็รู้จักกินรู้จักหาแม้แต่คนจนจนก็ยังหาคุ้ยเขี้ยกระยจ์เจตอหาหันถ้าอยู่ได้ยังไม่ตายก็มีให้หิวมา แต่คนที่มีสติปัญญาก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราหาได้เราทำได้มือห้านิ้วบนิ้วมีแผ่นดินมีดวงอาทิตย์มีอากาศมีน้ำ <c oughs> สช่างรับภายนอกซับภายในก็มีกายมีใจ เป็นซาบภายในก็ก็ไม่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกไม่ชมีบุคคลหนึ่งบุคคลที่สองจนซาบภายนอกก็มีแผ่นบินท้องฟ้าอากาศดวงอาทิตย์ม่น้ําต้นไม้เมื่อมีสิ่งเหล่านี้ก็มีสัตว์ชีวิตเกิดขึ้นมาได้พืชแล้วก็มีแผ่นบินเดินไปเดินมามีอากาศหายใจมีน้ําดื่ม มีป่าไม้ํำหยกคมยาแม้แต่เครื่องโน่งหงษพลังงานน่าจะขอบคุณแผ่นดินแผ่นฟ้าอากาศป่าไม้แม่น้ำซึ่งมีบุญคุณต่อเราเยอะแยะเลยคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณฉันคุณานคุณภาวนาคุณข้าวคุณน้ำ คนที่หัวัาสาเครื่องนองห่มคนอย่ารักษาโลกและคนญาติคนโยมคนศรัทธามันเป็นนี้มากที่สุดเลยเราเนี่ยทําช่วมาได้แล้วนี่ท่วมหัวบุญคุณจิงเรานี้ยได้เลือเดได้เนื้อเพราะศรัทธาสุดที่หนังของญาของโยมนํามาให้เรา ประมาดไม่ได้ชั่วไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมไม่ได้เกินจิตวิญญาณ น, นั้นอาจจะประบาทสะดวกสบายก็เกียดคร้านอ่อนเดชไม่มีการต่อสู้เกินแต่ความคิดก่อนสู้ไม่ได้ สิ่งที่ทำให้หลงมากที่สุดความคิดในความหลงเกิดจากความคิดมีเรื่องเดียวคือมีสติเท่านั้นที่จะไปลูเร่อนนี้แจ้ไขเรื่องนี้วิธีการศึกษาเอาไปเจ้าเกาป้งๆ อ, อยู่โน่นหรนือชิ้นใหม่ ทำเราเก่าวดีแล้วประกาศก้องแล้วเราหายของที่คว่ำขึ้นแล้วเราเปิดของที่ปิดออกแล้วเราเฉือนส่วนที่เลี้วเที่ยงหมดแล้วเรายินไหมอายไหมอะไรอยู่เวลานี้หมกมุ่นเฉยแต่ใจของเราทำไมไม่ได้ยห็นอามวัส ทำให้มีในกายในใจเรานี่มีสดิปเปนในกายเห็นกายสวะกายเนี่ยมอดบของมกุลนิพพานไปแบบนี้เห็นกายสวะกายเขียนแล้วคมตามคำบอกอยอมมาเป็นถั่วเป็นตน เป็นชุกบเปนทุกข์พบกครชุบทุกข์ที่เกิดเกับไกลเป็นอาการเป็นธรรมชาติหลุดไปจะมีสติจะหลุดออกไปจะแล้วไปหลุดตรงนี้ก็เป็นพบเป็นชาติเป็นเปิดเป็นสุรกาสนรกเป็นานเกิดดับเกิดเรื่อยๆเกิดที่ใดเป็นทุกทุกทีเกิดที่กายช่วงขึ้นมา ไม่เห็นจักต่ว่าไม่ไปลยไม่หลุดไม่ได้ชับภายในถ้าเห็นกายส่าวะกายไม่ใช่สัตว์อุคลณ์โตตนโลกขอว่าจะได้อัลีรับภายในเป็นกรอบเป็นกมขึ้นมาเป็นผลงานของขิตวิญญาณ เราทำนาปลูกข้าวก็ได้ข้าวปลูกผักก็ได้ผักปลูกพริกก็ได้พริกปลูกสติมันเป็นมรรคผนผลเวทนาที่บรรจุกบรรทุกเกิดจากกายจากใจจากปูก้๊บจากนามมันก็สักแต่ว่าฮั่นให้เหมือนหลุดอยอสุขมาเป็นสุกอยอดทุกมาเป็นทุก ววสัจธรรมศุขสัต่ ว, ว่าทุกข์ใช่ว่าสัตว์แต่ ว, ว่ามีสติมาเกิดอะไกันวาอีกิจฉาเกิดสิ้นเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดละความชั่วเกิดทำความดีทําให้จิตบริสุทธิ์ไปเพียงแต่สักตธ ว, ว่าเวทนาให้มันหลงตัวดีๆอย่า อย่าผิวเผินอย่าหยบหยับอย่างแยงทิ่มตัวลงปลอยให้เห็นทำความเห็นให้แจ่มแจ้งมีสั ม, มาทิฐิร่วมเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยอย่างดิ่งเมื่อเห็นด้วยเกิดศรัทธาขึ้นมาไมีความเปลี่ยนขึ้นมาเกิดเนียรร่วมขึ้นมาวก็ มีผลจะสัมผัสถ้าไม่มีศรัทธาไม่ได้สัมผัสลักษณะเช่นนี้มรรคผลนิพพานที่เป็นมรรคเป็นกระแสไม่ได้สัมผัสแต่ว่าแต่าใหญ่บ ว, ว่าสติบนรู้มราก็จากแต่ว่าถ้ า, ากถักแต่ว่าก็เป็นก็เป็นใหญ่ ใหญ่กว่าสุขกว่าทุกข์ไม่ตนรับมีอำนาจบอกเคินสลาดเคินไม่มีที่อาศัยไม่คุณนค่าตีราคาเร็วๆซ้ำๆสุกปกเลยเธอะเมื่อแต่สุกสุกไม่เป็นสุขทุกข์ไม่เป็นทุกข์มันบริสุทธิ์หรือ ลองดูสิหายขึ้นแล้วจริงๆเปิดออกแล้วจริงๆเฉือนส่วนชิ้นที่ออกจริงๆเหลือแต่สักตววัวจิตก็เหมือนกันที่วันคิดนะะวันโหลกเก่งนะแม่ว่าจิตที่ประเสริฐจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าประเสริฐในทางดา่าเอาไปใช้หลายจิต ให้เป็นสุขเป็นทุกขกับพอเจียนนั่นล่นะก็ให้โกรธให้โล่ให้หลงกัเจีนั่นล่นะใหาไม่เป็นก็อให้เกิดจะลืปัญหากพ่อเจียนั่นล่นะประเสริฐยางไงบอกให้ําชั่วสาเร็จเป็นใหในทางความชั่วหรือซอมมาเช้ประเสริฐที่จะประเสริฐเพราะมันศักแต่ว่า จิตก็ว่านะอันกาจักวากายหมาธกิจเห็นกิตใช่แล้วเวทนาสัวต า, าคือกิจนั่นเลยจิตก็สักว่าจิตจิตในตัวเองเนอะมองตนนะวะถ้าเกิดอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เกิดอยู่ที่กายที่เวทนาเกิดอยู่ที่จิตก็กลับมา มองไปมองมามันอยู่ที่ตัวเองจ่าปากคอกลืมไปทิ้งค้อนกลายมาเมวงโบราณทันบา่างเมาเม้งอยู่ตรงนี้ทิ้งค้อนไปที่อื่นทิ้งค้อนกลายมาม่วงไม่ถูกมาม่วงมาเมวงไม่โลนหร โบราณถ้าว่าหนีหน้าหลงประดําหน้าสาวหนีเหล่าเข่าไปตุ้มป่าก่อยภาษาใสสารดังลืมไปลืมลืมจิตไปห้ามจิตไปทําตามมันสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่าคิดเนี่ยความเป็นใหญ่ประเสริฐแต่ว่าไงประเสริฐแบบนี้จิตสักแต่ว่าคิด มันไม่ใช่สัตว์คคทตัวงนเราเขาทำไม ห, หัวลอร้องให้ที่ใจเฉียใจอ่ะมันปุงไปแล้วไม่ใช่จิตง่ายใต้หลักตรงนี้แล้วยึดตรงนี้ได้อัดดินก็ง่ายทำจักรวาลธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นทำมีสองอย่างกุศลธรรมกุศลธรรมทำเป็นอนิจจังอนัตตา พวกไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ก็เป็นธรรมผมไม่ใช่ตัวตนก็เป็นธรรมธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแระเบิดแตกฉานไปเลยสเพยทั้มานาลังอภินิเวศายะธรรมทั้งหลายทั้งพวกไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเอาเลยเว่ากว้างขวางแตกขานไ ป, ลปเลยวังขอตัว มีช็อบเหมือนกับคนมีชอบอหนั้นจะกับเป๋ามีโอกาสเช้ชีวิตได้ปลอดภัยสะดวกสบายถ้าสับเปาาิดทำมานาลังอภิเวรสายะามีอาลิชอัอภายในปลอดภัยไม่มีภัยเลยตะไรเกิดขึ้นตีการที่ใจในปลอดภัยเพราะมันมี สัพเพทธรรมานาลังอภินิเวศาญาญิว่าแตยืดรูท้องขวงท้องขวงท้องหลายท้องขวงนี่แล้วก็มีอย่างนี้พระเจ้ามีอย่างนี้มีจริงพระเจ้ามีจริงเพราะทำทําให้เป็นพระเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้า ผู้ใดเห็นพระเจ้าผู้นั่นก็เห็นธรรมธรรมไเกิดเป็นพระเจ้าคือเรื่องนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นปฏิจจถุกปาฏอันเนื่องด้วยกันเพราะมันหลงเป็นต้นเหตุเพราะไม่รู้ทำไมจึงไม่รู้เพราะไม่ประกอบทำไมไม่ประกอบเพราะกบเกินด้วเองทำอย่างอื่นให้อดืนเป็นใหญงหลงกี่ข้างกี่โหน ไม่เคยใส่ใจทุกกี่ครั้งกี่หนไม่เคยเถ่ใจทุกข้อเลยนับไม่ท้วนล่านล่านเฉินเฉนครั้งก็ยังดื้อด้านยังจตหลงก็ดื้อด้านหลงในความคิดยังคิดอยู่มุ่มุ่งคุ้คิดอยู่ยังแต่ความคิดก็หลง ว่าให้เป็นชุกเปลนทุกก็หลงแล้วก็ไปเป็นกิดตันหาลาคะในปฏิจจสมบประบาทอวิชาคือไม่รู้ตามความเป็นจริงวิชาคือรู้สองขานคือปุ่งไปวิสังขานหยุดลงมาเหมือ น, นไปหยุ ปุงหยุดปุงวงงิสังขานหยุดปุงสองขานปุงแปงตายเนเจ็บเจ็บตายวิจังขานชิ้นพบชินชาติหลุดมาผู้ใดเห็นธรรมพวกนั้นเห็นปาดิจจชุมปาทสิ่งที่นุ่งด้วยกันลำดับดูรมางวัลมีวันไผ่เลาะที่จุดเหมือนพระพุทธเจ้า แต่ตัดจะลูใ ห, หม่สวยมุติจุกอยู่รอบจีวาโพออทิศที่ที่ห้าที่หกนะจะม่ล่าทบทวนปฏิจจสบุปบาทเมื่อมาเห็นปฏิจจบวามันก็จะคิดถึนคนอื่นต้องบอกคนต้องสอนคนต้องบอกคนต้องสอนคน เดี๋วดอยไม่ได้ทิ้งมาได้วางแผนทจะสอนคนผู้ที่รู้เรื่องนี้เป็นใครบ้างคิดจนปฏินิพพานหาเรื่องที่จะบอกคนเพราะมันมีปฏิจจสมุปบาทเจ้่ที่ไหเหตุเกิดที่ไหนเจค่ที่นั้นจะทําทมาเหตุปปปวจะฉันเหตุถูกตถาคาโต แตสัญจรจุดเดียทยจะเอวบางมาถีมาสมโนทุกจิงทุกจริงเกิดแต่เหตุจะดับประดับที่เหตุอาถาว่าจกคิจําได้เรื่องนี้เป็นพระหรหัสเลยผูู้มีปัญญางาให้ดูก็เห็นเลยทีเดียว เปิของที่ปิดก็เห็นสิ่งที่มันปิดไว้มีอะไรบ้างโดยเพราะในรูปในนามนี่มีกันทุกคนคนทุกคนนั่งอยู่นี่ก็มีรูปมีนามมีเท่าเท่ากันหนาวก็พอปันกันรอนก็พอปันกันอะไก็เหมือนกันหมดมันจึงเป็นสากลแห่ง ทำการจึกษาเป็นสาคนถ้ามีสติก็เป็นสติเหมือนกันถ้ามีความหลงก็คือหลงเหมือนกันคนที่หลงไม่เปลี่ยนเป็นรูปมีในโลกนี้คนที่หล ง, ลงเปลี่ยนเป็นรูปมีในโลกนี้สิ่งที่เขาทุกผู้ไม่ทุกในสิ่งที่คนอื่นทุกมีในโลกนี้บาคนก็ยอมยอมทุกยอมโกรธ ท้อมตามขมโกรธแสดงออกหลายรูปแบบทําให้คนอื่นขิดหัวต้างความโกรธความทุกเกิดร้อนมีในโลกนี่บางคนก็เสือดายต้องหลบต้องหลีกหลีกสร้างขิบบาหลีคนบ้าร้อยเช่นหลีกเท่าไหร่ก็ไม่หมด อยู่ที่ไหนก็คือคนต่อไม่บอกไม่สอนกันเราพึ่งกันไม่ได้แต่ามาลู่เรื่องเดียวกันเรก็พึ่งกันได้แต่มีจิติก็เป็นคนคนเดียวกันถ้าไม่มีจิติก็เป็นคนละคนไปนั้นเห็นเกลี้ยงเลยในรูปในนามนสัพเพทมมานาลังอวิเนเวสาวะ ไม่ยืดมันถือมันอาลอยเยอะแยะเลยวางวะวางลงวา ง, ง, วางมันงดงามนะจิตที่งามที่จุดวางตอนที่เจเก็บตาเนี่ยมันงามมากมันมีศาสตร์มีศิลนใอยใจไม่ได้น้ำลายผุ๋งปอด ยังไม่วางพยายามหายใจไม่อยา ก, ากหายหมันเป็นธรรมชาติมันเหมือนกับเครื่องยนต์มันเป็นเหมือนเป็นวาล์วเปิดปิดปอดปอดมันมีแต่ว่าทางลมมันไม่มีมันดันเหมือนวาวเครื่องยนต์ ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลใช่ไหม <c oughs> ขึ้นลงมาจบขึ้นแล้วไม่นช่แบบนี้แล้วมันก็ดันลงเวลามันขึ้นมาดันมันออกไปได้มันก็ดังอื้อไงมันก็ลงมาเนี่ยอ่านี่ก็ดูมันอยู่ <c oughs> ตอนที่มันตาข้างนี่มันหมดแรงตาข้าง เนี่ยมันก็เออมันเช้นี่เนาะรูปนี่มันก็หมวดเที่วนี้แล้วก็ใช่มาพอสมควรแล้วหรือว่าทําประโยชน์บ้างรูปนี่ได้ทําประโยชน์น้ำได้ทําประโยชน์อนไรที่ถูกที่ผิดก็ได้บอกได้พูดได้ใช้ชื่อมาเจ็ดสิบปีเออเอาวางลงวาง วางอย่างงดงามหายใจไม่ได้มาต้องหายมันแล้ววางลงซะถาหลับไปลงแล้ววางลงวางงดงามมากเหมือ น, นคนไม่ชอบเวลาหิวเลยเงินซื้อข้าวแล้วหนาวซื้อผ้าหมห่มจิตใจนี่มาได้กอาวัตถุนอื่นในตัวมันเองช่วยในตัวมันเองเนี่ย เราจะไปย้อนจนงงยังยืนได้ไม่น้ำลอยในปากและหายใจได้สารซับไปไหนเนี่ยมันหาไปยากมันซับไานอกซับไานอ ก, นอกต้องไหม็นแรงไปต่างประเทศไว้ลงงานที่ไหนนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินไปขนเครื่องมือไป เลื่อยทั้งค้อนติดะปูทั้ ง, งชุดรมมานแต่ว่าก็าลังหาได้แต่อริชราภาในอยู่ในตัวมันเองพระเจ้าเปิด่าแล้วเอาเลยลูกเข้าไปเลยในความหลงก็มีความรู้ในความทุกข์ก็มีความรู้ในความเสียความเจยบความตายก็มีความรู้ มันเป็นเครื่องมือของความรู้เป็นอุปกรณ์ให้เกิดความรู้รูปนี่หนามนี่แต่ใช่เป็น่ะแต่ใช่ไม่เป yeah. ็นก็อุปกรณ์ให้เกิดความชั่วไดก็เกิดความชั่วหมู่ชะหมูกเรื่อนกายใจเกิดความชั่วเกิดลดของโลกเป็นธาตุของโลกถ้าเราใช่เป็นก็เกิดผลของธรรมเป็นลดของธรรมได้ จักรวิญญาณขณะวิญญาณเชิวหาวิญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณอัวไม่วิญญาณตาก็ไม่วิญญาณจักรโสตคณะเชิวอหากายมโนทุจริตสุจลิตกายทุสุดจลิตก็กายทําดีกายทุจริตกายทําชั่วไว้กี้ทุจริตก็ว่า จ่าพูดชั่ววาจีสุจดิตก็วาจะาพูดดีมโนทุจดิตก็มันใจคิดชั่วมโนทุจดิตก็ใจคิดดีเราจะใช่กันแบบไหนพระเจ้าบอกไว้แล้วลาก้าวุกุศลเอากุศลโชว์ให้เราเห็นอยู่ชั่วกับว่วยุนาโลกถ้าดีก็ไปช่สุขติ ก็สัมผัสโดยก็เป็นอย่างนั้นเวลาโกรธก็เป็นทุกข์เวลาทุกข์ก็เป็นทุกข์ความทุกข์เปลี่ยนมาเป็นความรู้ด้วยนี่เดีอยวยังมน่าจะจนอันจนเงินจนทองมันก็เป็นเรื่องความเกียดคาดอันจน มักผลนิพพานก็เป็นความเกียดคร้านไมตัวิชาไม่รู้ไม่ศึกษาไม่ใจใจใม่พัฒนาไม่ปฏิบัติเปลี่ยนร้เป็นดีไม่เคยเปลี่ยนได้เป็นดีตามไปตามโลกไปเลยว่าหลงก็หลงเรื่อยไปมทุกข์ก็ทุกข์้วย่อยไปมาสุข ก, ก็ยอมรับสุขเรื่อยปเพราจะได้ความทุกข์ ไม่ทอดไม่ทิงไม่อยากปล่อยวางพอใจะในความสุขอยากได้ความสุขความทุกข์วิ่งไล่ไล่ความปวความทุกข์ความทุกข์ก็วิ่งตามไปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสังขารปัญญาพิสังขารสังขารคือสุขเอาปัญญาพิสังขารสังขารคือทุกข์มันเป็นสังขารด้วยกันหมดทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่น มีสติเนี่ยทำในายใจเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้ถามความให้ถูกต้องมีความเพียรมีสติมีปัญญามีสมาธิพร้อมขึ้นมาให้ได้หัวดกของจิตวิญญาณในชาติปัจจุบันนี้พอใช้ไปตายแล้วจึงจะเอา ทำมามาขวัญ น, นิพพานเป็นปัจจัต่างนิพพานเดี๋ยวนี้หาใจเข้าหายใจออกอยน่ไนเดินไปเดินมาอยู่เนี่ยหยุดแล้วกินแล้ววางแล้วหยุดแล้วไม่กำเริบอีกแล้วชินพวกชินชาตเราจะมาเป็นจุกเ ป, ป็นทุกข์ไม่มีมีแต่ชินแต่ทําไม่แต่คนงามความดีจะใช่เราคนหนุ่มก็จะใช้ทํา มาที่การนำงานได้นานกว่าจะตายและคนเจอก็ได้ใช้ไปนานก็ตายไปก่อน้ะตอตต น, นที่จะได้สุตเตนนมวันท่านจึงว่าสึกเตหนุม่มเป็นตระดึกสึกเตนุม่มให้ความหนุ่มไปทำความชั่วเอาความหนุ่มไปทําความชั่วยังไม่เจอเจอะแล้วจะฆ่ปฏิบัติธรร ม, มใช่ เราจะใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อโลกแล้วก็มีโลกอาศัยแผ่นดินเผ่นพลาอากาศแม่น้ํปาป่าไม้ประโยชน์ต่อญาติแล้วก็มีญาติจะได้ทําประโยชน์ต่อญาติพ่แม่ครูอาจารย์พี่น้องบุตรปัญญาสามีประโยชน์ต่อประชาธินาได้สั่งแล่สอนแจกของสอนตะเกียง ต่อคู่บวคนต่ยแล้วอย่างเราเป็นล้างวดแระก้มข้าเข้าสุกน้ำแจ็งก็ขอมีสิทธิอย่าให้เป็นตำอยู่ํำจีนขอข้าวจีนอย่าได้มีชีวิตเพื่อทำประโยชน์ต่อโลกประโยชน์ต่อประชาสนาประโยชน์ต่อยา ที่แล้วก็มีอยู่จริงๆเป็นสังคมเปิดประโยชน์คนคนหนึ่งจะคนดีก็คนอื่นก็ควได้ประโยชน์ทั่วได้อันนี้สูงอยู่ที่ไหนก็ไม่ทําลายอะรักษาไว้ให้ลูกให้หลานตอนนี้ก็มีชีวิตมีลมหายใจ ใช้ชีวิตใช้ลมหายใจให้เกิดประโยชน์เต็มที่พวกนี้อาจจะมีไม่มีก็ไม่ชอบแต่เวลานี้มีชีวิตยอยู่หายใจได้ก็มีสติดได้เต็มที่เราก็อย่าไปทาให้การเดือดร้อนให้โอกาสกันละกันเป็แบบ้อดีๆเป็นเพื่อปนปมิตร มิตรแท้ๆอย่าเป็นมิตรเทียมเียมหวังประโยชน์จากมิตรวิถีประโยชน์มิตดพึ่งพาอาศัยกันนะครับพึ่งเราด้วยพึ่งก็เด่นด้วยเป็นมิตรกับตัวเองด้วยเป็นมิตรกับจิงอื่นวัตถุอื่นไม่เป็นศัตรูกับเราต้งสารตัวเองมากที่สุด หวยถึงหลงมาได้น่าสงสารา่าคนเราเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกตามหายใจก็ทุกขต้องกินต้องนอนต้องหลับต้องถ่ายต่างก็ต้องช่วยตัวเองอยู่ทุกชีวิตต่างก็รักชีวิตกันทุกคนแล้วต้องไปทำลายให้กันเดือดร้อน ตัวเราก็เดือดร้อนอยู่แล้วเกิดเจอเจ็บตาอยู่แล้วสาความดีจะได้รวมบริสุทผุดทองปราจากทุกโศกโรคภัยันตราทั้งนั้นะขอสมควรเจยเวลาขับกาก้ังก่น